จากที่เราได้สาธยายพระสูตรคำสอนพระเจ้าในการแสดงไว้นานแล้วเราเอามาสาธยายลำดับลำนำเอามาสอนตัวเรานอกจากนั้นเราก็สอนตัวเราเองเอาคำสอนพระเจ้ามาเป็นเรื่องของเรา เอาการตัดสู้ของพระเจ้ามาเป็นเรื่องของเราแล้วเราก็เป็นหมูชนเป็นหมูชนผู้เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามารวมกันปฏิบัติตามธรรมวินยัยปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินยัย เรียกว่าโง่สงฆ์โง่สังฆ์ค่ะโง่สงฆ์โง่สงฆคะไม่มีการเบียดเบียนตัวเองไม่มีการเบียดเบียนคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นต่างคนต่างแก้ไขเวลามันหลงรู้มาให้ของหลงไปกไกลของหลงเป็นต้นเหตุแห่งอกุศลเราจะพูดผิดคิดผิดทําผิด พอมันหลงเกิดขึ้นลูกเปลี่ยนหลงเป็นลูกัดไปเสื่อยต้นลมปัญหาก็จะไม่เกิดทุกคนเชื่อตรงนี้มีสติเป็นเจ้าของดูแลกายใจของตนให้มันคุม้มมันจะแสดงออกมาต้องกายท้องใจก่อนรักษากายรักษาใจเรียกว่าศีล เปร้อยเป็นดีเรียกว่าสมาธิเวลามันผิดมันเกิดปัญหาให้มันรู้เปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญาเรียกว่าปัญญามันได้จากกายจากใจนี้รวมรวบรู้ในกองสังขารคือกายใจกายเป็นสังขารใจเป็นสังขารเรียกว่าปัญญาไม่ใช่ไปศึกษาที่อื่น เราจึงมีสติดูมันจะเห็นตาเนื้อไม่เห็นตาในคือสติจะเห็นมันหลงจะได้เห็นหลงได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้ระหว่างความรู้กับความหลงมันต่างกันอยู่ให้เราได้สัมผัสเอาหลงก็ตัวเองรู้เวลาเปลี่ยนหลงก็ตัวเองทำตัเอง ปฏิบัติด้วยตนเองเปลี่ยนได้อยู่เมือนจะหลงพายเกิดโกรธเกิดทุกข์เกิดกิเลสตัณหาก็ยิ่งเปลี่ยนได้เห็นเข้าทางมันถ้าเห็นแล้วก็เป็นมากถ้าเห็นแล้วไม่เป็นก็เป็นผลเป็นมากเป็นผลไปในตัวแล้วก็เป็นเพื่อนกันตรงนี้ทำมนเดียวกัน มีสติดูกายเหมือนกันทุกคนมีกายมีสติก็เหมือนกันนั้นเดียวกันถ้าเราอยู่ที่นี่เรามีสติก็เป็นคนคนเดียวกันถ้าเราหลงก็เป็นคนลวคนถ้ามีสติมันก็ลาความชั่วถ้ามีสติมันก็ทำความดีถ้ามีสติจิตก็บริสุทธ เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหมดคือพรหมจรรย์เราจึงมาฝึกผลตนเองสอนตนเองเตือนตนเองแก้ไขตนเองบันดิตต้องฝึกตนช่างดัดลูกศรก็ดัดลูกศรช่างถากก็ย่อมถากแต่บางทีดัดแล้วมันคดขึ้นมาอีกก็ดัดใหม่จนวนอยู่ ทีหนึ่งหลงที่หนึ่งรู้ที่ก็ จ, จะไม่พอหลงลอยข้างบนหนอนรูล้ลอยข้างบนหนอนแต่จะอาจจะได้เหลี่ยมใน้ลายขึ้นมาง่ายๆที่แรกอาจจะทวนกะรนะแสเวลามันโกรธ <c oughs> เปลี่ยนความโกรธเพราไม่โกรธอาจจะทนกะระแสสักหน่อยเวลามันทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข์ให้รู้สึกตัวอาจจะทวนกะระแส เหมือนขี่ลถขึ้นโมกับจักรยานขึ้นโมที่มันสูงไม้ว่าทวนขึ้นไปออมาขึ้นแล้วมันก็สบายมันมีสิ่งที่ทำได้อยู่มันหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงมันทำได้อยู่ ต, ต่อไปต่อไปจะง่ายให้มีแนวร่วมหลายอย่างมีศรัทธา เชื่อพังคำสนมีกายเห็นกายตามความเป็นจริงมันจะเจอปัญหาเกิดกับกายกับใจไปทางเดียวกันกับพระพุทธเจ้าไปเห็นสิ่งที่ขวงขัน้นรวมมวงเหงาหอนรวมลังเลสงสายรวมคิดพุ่งซ่อนพยาบาท เกิดขึ้นในกายในใจเรานี้ถ้าเห็นสิ่เหล่านี้ก็เรียกว่าไปเส้นเดียวกันกันกบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เปลี่ยนตรงนี้เวลามันง่วงมีเหมือนกันทุกคนเวลามันคิดฟุ้งซ่านมีเหมือนกันเวลามันลังเลสงสัยมีเหมือนกันเวลาเกิดลาคัตโทสะพ่าบาทรเกิดขึ้นก็นมีเหมือนกันต่างคนต่างจุมเปรื้เพื่อนมา ก็สิท ธ, ธัตถะก่อนที่ยังไม่เป็นพทธเจ้าก็มีลูกลาหุนมีเมียคือพิมพาย่อมคิดมีประสาสาวดูมานั่งอยู่ต้นโพอาจจะคิดเปรียบเทียบอยู่คนเดียวมันก็ย่อมคิดเราก็คิดเหมือนกันแต่ว่ามันคิดไปกลับมาได้อยู่ เวลานี้เรามาไม่ใช่มานั่งคิดมาเดินคิดเรามารู้สึกตัวงานของเราเป็นอย่างนี้หลักอยู่นี้นวฐานอยู่นี้ตั้งไว้นี้ไปแล้วกลับมาปฏิบัติคือไปแล้วกลับมาปฏิบัติคือโต้ตอบทักท่วงอย่าค่อยตามตอันใดที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจให้กลับมามีสติ ตั้งไวน้นี้เอากายเป็นที่ตั้งเยื่อกายานุปจนนาเห็นกายเป็นที่ตั้งอยู่เสมอตามรูปแบบพุงกรรมฐานสังที่เราทำอยู่หลักของสติปัฏฐานสูตรเป็นสูตรเอกทางเส้นหนึ่งทางเส้นเดียวในโลกที่เข้าสู่มอกสู่ผลเดินคนเดียวไปถึงที่เดียวกัน เดินอยู่ตรนี้ก็เห็นเหมือนกันหมดเท่ากันหมดเห็นความหลงก็หลงเหมือนกันเปลี่ยนหลงเป็นลูกก็เหมือนกันไม่ใช่คนละอย่างความหลงก็เป็นพันนันเดียวความโกรธก็เป็นพันนันเดียวความทุกข์เป็นพันนันเดียวไม่มีคนละอย่างจึงเป็นเรื่องที่ลูกกันก็เด่นหลง เราหลงก็เหมือนกันเวลาเราเปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้ก็ อ, อยากจะช่วยคนอื่นมันทำได้อยู่ทำได้อยู่มาตรงนี้มาตรงนี้มาทางนี้เหมือนชวนกันเป็นเพื่อนกันริวบกันเลยชนิดแระหายเป็นทั้งหมดของพรมจันทร์จะบริสุทธิ์พรมจันทร์คือบอริสุทธิ์ผักพืชพรมจันทร์บริสุทธิ์ไม่ไปเปอไปเพื่อนไปเกับสุข ไม่เปิดเพื่อนก็บวทุกข์ความพอใจความไม่พอใจไม่เปิดเพื่อนม่จะเห็นถ้าเห็นเราไม่เปิดเือนถ้าเป็นแล้วเปิดเอนเป็นสุขเปิดเพืผยความสุขเป็นทุกข์เปิดเพื่อนความทุกข์เป็นความพอใจเปิดเือนความพอใจเป็นความไม่พอใจเปิดเือนความไม่พอใจนี่ว่าโลกลสของโลก สอดโลกจงติดอยู่แบบนี้เราจึงมาเป็นพโมจันลู่เหมือนกับลู่ที่หนึง่งมืนกับล่างออก็มันหลงลู่ล่างหลงออกมันทุกลู่ล่างทุกออกมันโกรดลู่ล่างโกรดออกมันพอใจมันไม่พอใจรู้ล่างความพอใจเขาไม่พอใจออกอย่างคุณเจ้า แสดงไว้การคู้าแขนเข้าการเหยียดแขนออกวิสติการเดินไปข้างหน้าด้วยสติตอนความพอใจแล้วความไม่พอใจในโลกออกเสียได้มีสติลแล้วงหลอยู่นี่แต่ว่าเดินมันพ้นจากอะไรเมื่อมีความรู้ตัวมันก็พ้นจากความหลงเมื่อมีความรู้สึกตัวมันก็ไม่ทําชั่ว มันไปแล้วยิ่งเวลามันหลงในลู่สมนำหน้าความหลงเห็นชัดเจนเปลี่ยนหลงเป็นลู่มันมีความมั่นใจมันถูกต้องที่สุดเวลามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นลู่เป็นความถูกต้องที่สุดมันมีความเยืบเยียบเฉงใสมันทำมันสิ่งที่เป็นถูกต้องถ้ามันมีหลงถ้ามันมีทุก็ยิ่งดี สัมผัสกับความทุกข์สัมผัสกับความไม่ทุกข์มันต่างกันอยู่ตัดชิ้นใจได้เลือกได้ปฏิบัติได้ไอ้นี่มันหลงมันทุกข์อันนี้มันไม่หลงมันไม่ทุกข์มันก็พ้นอย่างจริงหรือว่ามีมุดพ่ดนน้อยไปผมหลงหมดไปพ่นจากความหลงไปแล้วความทุกข์หมดไปพ่นจากความทุกข์ไปแล้วก็เลยก็ย <c ười> <c ười> อยากฆ่าศึกผู้ที่ไก่อากฆ่าศึกแต่ว่าอริยะอลิเวรมาฆ่าศึกยาเป่าพ้นไปพ้นไปอยากฆ่าศึกจนไม่มีภัยแล้วก็เดินจากนี้แหละเข้าแรกคือเปลี่นหลงเป็นรูปเป็นข้าแรกถ้าเปลี่ยนหลงเป็นรูปได้ โกก็เปลี่ยนง่ายทุกก like, ็เปลี่ยนง่ายเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแต่พื้นเถอพื้ไปก็เหนือกลางเกิดเจ็เจ็บตายโน่นไปถึงโน่นแล้วเลยง่ายถ้าไม่เปลี่ยนหลงมันก็ยากเหมือนจริ้งโคกขึ้นเขาถ้าเปลี่ยนหลงเป็นลูกเหมือนกิ้งโุกลงเขาง่ายต่อไปมันเป็นอย่างนี้ทางมันไปอย่างนี้ย่ามั่ มักคือดูมักคือเห็นเห็นแล้วไม่เป็นมักเป็นเหตุพ้ดเป็นผลเห็นเป็นมักไม่เป็นเป็นผลน่ะมันเป็นมักเป็นผลไปอย่างเนี้ยจริงเี่เาทำอย่างเนี้ยไม่ใช่ฟรีไม่ใช่ไม่มีสาระมีสาระอยู่มันจะออกมาเป็นสูตร กุศลสูดิดอกโศลโุศลคือความฉลาดโกศลคือความงู้ความหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความฉลาดเปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญานั้นเป็นไปได้อย่างนี้มันจึงเลื่อนถัน้าได้จากคนมาเป็นมนุษย์จากความเป็นมนุษย์มาเป็นพระได้ คนมันปนกันสุกขก็เอาทุกข์ก็เอามนุษย์มันไม่ปนมันเห็นสุขเห็นทุกข์สุขเป็นบวกทุกข์เป็นลบหลมบวกลบไม่มีอยู่ตรงกลางเรียกว่ามันก็ไม่เปือเป้อนมนั่นเป็นผล มันเลยไม่กระทุบกระทือนเวลาสัมผัสสุ ข, สขทุกข์เป็นกระทุบกระทือนแต่ก่อนโล่กระทุบกระทือนสุขก็ดีใจไปเลยทุกข์ก็เสียใจไปเลยมาถึงใจวันนี้สุขทุกข์ที่มันเห็นเนี่ยมันไม่มาถึงเป็นอาการธรรมดายิ่งเรามาปฏิบัติแบบนี้เป็นวิสูตรสูตรด้วยว่าอารมณ์เป็นรูปทำนาท้ํำทำ แต่ก่อนเห็นกายเป็นกายเป็นใจถ้าเห็นกายเห็นใจธรรมดามันเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ง่ายสุขก็เป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ถ้าเห็นเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมมันสุขไม่ต้องเรียกว่าสุขทุกข์ไม่ต้องเรียกว่าทุกข์เป็นอาการไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ความร้ก็ไม่ใช่ความร้นความหนาวไม่ใช่ความหนาวความหิวไม่ใช่ความหิว ความปวดความเมื่อยไม่ใช่ความปวดความเมื่อยเป็นอาการของรูปเป็นอาการของนามไม่ใช่ตัวใช่ตนเบากวัวเป็นแต่ก่อนเป็นกายเป็นใจมั น, ม, นมันอะไรไปเป็นรุ่นเป็นก้อ น, น, นไม่มีิ่งรองรับไม่มีฐานไม่มีเกาะบังเกอร์เหมือนเรานอนไม่มีมุง้งคนที่มีอารมณ์ได้หลักแล้วมันนอนในมุง้ง ฟังเสียงยุงมันบินคนที่มีความรู้เห็นตามความจริงเหมือนมีล้มในมือเวลาฝนตกกลางล้มเวลาแดดออกกลางล้ม้เ า, เออกก า, มาเห็นรูปเห็นนามมักจะไม่มีรสชาติแต่ก่อนความทุกข์มีรสชาติความสุขมีรสชาติความโกรธมีรสชาติ พอมาเห็นรูปทำเห็นนามทำมันสุขไม่มีโลดทุกข์ไม่มีโลดอะไรที่เจ็บปวดไม่มีโลดหิวไม่มีโลดมันสักแต่ว่าไปเชี่แล้วกายสักแต่ว่ากายเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์สักแต่ว่าเวทนาจิตที่มันคิดก็สักว่าจิตแต่ก่อนเป็นกายเป็นใจนี่อะไรก็ออกมาเป็นตัวเป็นตนได้ง่าย เป็นสุขความคิดก็มีเป็นทุกข์ความคิดก็มีบ า, างท่านที้ไม่มีตัวมันตนคิดเกิดมาตาไหลก็มีที่เกิดมาแล้วโกรธนอนไม่หลับก็มีถ้าเห็นเป็นรูปทำเห็นเป็นนามธรรมมันเป็นอาการที่เกิดกับจิตอันความคิดไม่ใช่จิตหรือว่าเจตสิกอันมีสัญญาเหมือนตทรศัพท์ดังติ๊ตติ๊ติมันมีสัญญา เหตุเหมือนคล้องที่วางอยู่เฉยๆเขียนอยู่เฉยมันไม่ดังเมื่อมีการสัมผัสก็เกิดเสียงดังขึ้นมาหรือว่าเจตสิกคือความคิดมันคิดเป็นหรือว่านามธรรมคิดแล้วมันมีวิญญาณมารู้อะไรได้นั้นไปไกลเกิจากความคิดเก็ไปถึงสุขถึงทุกข์ถึงรอดถึงโกลุรหลงกิเลสตัณหาได้เกิดจากความคิด เราไม่เห็นพอมาเห็นเป็นรูปทำเห็นเป็นนามธรรมมันก็บอกนี่มันเป็นอาการความโกรธเป็นอาการของนามความทุกข์เป็นอาการของนามความเจ็บความปวดความเมื่อยความร้อนความหนาวเป็นอาการของรูปความทุกข์ควาโกรธควาโลภความหลงเป็นอาการของนามมันมีได้อย่างนี้มันจึงไร้บรรลุธรรม ถ้ามันไม่รู้อะไรที่รูปที่ดามไม่มันก็วันรู้ทำไม่ได้เหมือนเราไม่มีวิญญาณกายของเรามันด่างมันไม่รู้จะเจ็บเอาไฟเบอร์จุดก็ไม่เจ็บเอามีดมาฉีดก็ไม่เจ็บอันตรายถ้ามันรนเป็นว่าดีแล้วมันหนาวเป็นดีแล้วมันหิวเป็นดีแล้วมันเจ็บปวดเป็นรลยว่าดีแล้วมันจะได้ช่วยมันมันจึงอยู่ได้ มาเชื่อมาเป็นสุขมาเชื่อมาเป็นทุกข์มันก็เดิดปัญญาขึ้นมาพอเห็นรูปเห็นนามมันเป็นอย่างนี้จากความสุขมาเป็นปัญญาจากความทุกข์เป็นปัญญาตื่นอันนี้มันเป็นวัตถุมันเป็นดอาการที่เกิดขึ้นได้ในรูปในนามนี้ในรูปนี่มันก็เป็นข้นทุกข์กนหนึ่งในนามก็เป็นข้นทุกข์กนหนึ่ง แต่ก่อนไม่รู้จะช่วยพอมาเห็นแล้วรู้จะช่วยกระตือนละโล้นช่วยลูกจึงใดที่เป็นทุกข์ไม่เกิดเลยจึงใดที่เป็นทุกข์แก่ลูกไม่เกิดขึ้นจึงไหนที่เป็นทุกข์แก่นามไม่เกิดขึ้นให้มีปัญญาของโกรธไม่จริงอะความไม่โกรธเปนจริงของมโกรธเป็นสมมุติความไม่โกรธเป็นประมาทมันจริงกว่ากัน ความโกรธไม่เป็นธรรมความไม่โกรธเป็นธรรมขัวมันก็เกิดความทรรมแกรูปแกยนามพอลงมาเห็นอย่างนี้มันเป็นขบวนการลื้อถอนขนสงช่วยรูปช่วยนามแต้วแต่รูปนามมันก็ตู่ในความไม่เที่ยงในความไม่เที่ยงเกิดจากรูปในความไม่เที่ยงเกิดจากนาม ในความเป็นทุกข์เกิดจากลูกในความเป็นทุกข์เกิดจากนามในความไม่ใช่ตัวตนมีอยู่ในลูกในความไม่ใช่ตัวตนมีอยู่ในนามมันจึงเป็นขบวนการไปถึงการเกิดการแฉกการเจ็บปันตายมันแยกไปจากนี้เหมือนทางสี่แพร่งสามแพร่งตั้งเกิดที่เดียวกันต้นที่เดียวกันแต่มันไปคนละทางแต่และ หลายทางก็ไปถึงสิ่งที่หมายต่างกันแต่เกิดตรงเดียวกันเกิดที่รูปที่น้ำนี้แต่เราไม่รู้ใช่ผิดใช่ชั้นทางผิดทิศทางผิดเห็นความโกรธเป็นตัวเป็นตนเห็นความทุกข์เป็นตัวเป็นตนผิดเอาความโกรธว่าเป็นเราโกรธถ้าเราได้โกรธเราแล้วเราจะไม่ลืม เอามายึดไว้เอาความทุกข์เอาความลักเอาความเกลียดชังยึดไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนตัวความโกรธเสียเปรียบความโกรเสียเปียบความลักเสียเปียบความเกลียดชังกระทุกประเทือนเจ้าเราความโกรธเป็นผูกระทุบกระทือนต่อตับตามภาษาหมอใช่ไหมไม่หมอนะความโกรธเป็นผูกระทุบประเทือนต่อตับ ความเครียดเป็นผลก ร, รทุกประทืนต่หอนนหัวใจเครียดอยู่เสมอเนี่ยหัวใจนี่กระทุกกทืบเดินไปหมอว่าอย่างนั้นก็ามวตกกัวงวลเป็นผลกระทุกกระทืบต่อหัวเจเนีอะไร็นุกกระทืบเือนไปหมอว่าอย่างนี้ใช่ไหม เ ột, ลวลาโกรธกินข้าวหิวข้าวไหมเวลาโกรธอ่ะฮะกินข้าวลงไหมไอ้ขี้เวลาโกรธอะฮะคืนข้าวลงไหมเป็นพุกโกทุกินกินข้าวไหมลงนั้นเป็นไปได้กับเพราะอาหารไม่มีน้า ย, ย่อยไม่มีน้ำลายนั้น ม, มีอย่างนั้นไหมวเวลาโกรธกินข้าวแชบว อ, อนอนหลับบอนันก็เป็นอย่างนั้นแหละ แล้วทำไมเราไปเอาความโกรธมันนอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนอะ่ะโกรธคืนหนึ่งมีไหมชั่วโมงหนึ่งมีไหมไม่ใช่ <c oughs> บางคนถ้ากรธได้โกรธจายไม่ลืมเลยทีเดียวไปยึดเอาความโกรธว่าเป็นตัวเป็นตนตมันไม่ใช่มันเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับนา้ามันให้เราแก้เปลี่ยนได้อยู่ เวียนไยออ น, าา น, น้อยู่อนิจจาวรสังลาคของกดเกิดขึ้นใจเราแล้วนาะเคยได้เห็นผ้าสวดไหมนะเคยเห็นไหมเขาจจบะหบ่จัะสายศีลสายยุง่ง อ, อนิจจาวารสังลาไปผูกศกไปผูกสังฆทานอุปทบวิยธรรมไมโน วจิตตะวันโลชันติแตสัมบูปจโมโชคขได้อะไรฮะพระได้อะไรท่านได้อะไรพระท่านได้ได้จีวรได้ปัจจัยได้อะไรต่างๆแต่พระท่านว่าอะไรอา น, นิจจังสัง迦ระของโกฏิเกิดขึ้นแล้วเจอเราแล้วเนอะ อุปถาวาจะทรไม่ไดปยึดว่าตัวว่าตนกูเชลแล้วอุปคิดตว์โลชันติเปลี่ยนได้อยู่เหมือนหลังมือเปลี่ยนหน้ามือมันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธได้เปลี่ยนได้อยู่มันทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข์ได้อยู่อุปคิดตว์เปลี่ยนได้อยู่เต ส, งมม อ, สขของโบปัจโมสชโขเมื่อเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธไม่เลยทะเลาะกันแล้ว ถ้าความโกรธพายทะเลาะกันได้ฆ่ากันได้ถ้าทุกคนทุกคนเปลี่ยนจะไม่ทะเลาะกันจะไม่ฆ่ากันทุกคนก็เชื่อตรงเนี้นี่ว่าเห็นรูปทำเห็นนา้ำรมเห็นธรรมชาติของรูปเป็นธรรมชาติของน้ำเห็นอาการของรูปเห็นอาการของนามมันจะไปสู่จากนี้เราดูไปดูไปเนี่ยยิแรกเห็นเป็นรเห็นเมนกายต่อไปเห็นเป็นรูปเนี่ยเท่านัอนไว้เนาะ รูปนี่มันไม่มีอะไรไม่มีน้ำทองมันรูปมันทำนี่อะไรมันสั่งอะไรสั่งอะไรสั่งให้รูปทำนี่แล้วเนินบอกให้อันนี้มันวิ่งมานี่ได้ไหมไปออกไปไปได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้มันมีแต่รูปมันไม่มีน้ำอันนี้อะไรสั่งมันอะไรสั่งมัน สั่งให้ทํานี่อะไรสัง่งที่ทำให้มันสังส่งให้ทําดีหรือทำชั่วที่สั่งให้ทํานี่มันสั่งให้ ท, ทําดีหรือทำชั่วมันทํามันรู้ไหมนี่ยสั่งให้เอาปืนมายิงตัวเองมันรู้ไหมรู้นะมันยิงไหมมันสั่งให้กินยาตายรู้ไหมรู้แน่สั่งให้เอาเครื่องมาแฉนคอตายมันรู้ไหมรู้มันไม่รู้ อะไรมันเป็นใหญ่นามเป็นใหญ่คือมีลูกมีนามยางไมยังอยู่ที่ไหนล่ะมันอยู่ที่เราในเขียนลูกนเพื่อนไว้นี่เป็ น, ป น, ปน ล, ลูกเดินไปเนะ่ยเป็นลกูกนอกงอยู่นี่มันจิทุกอะไรมันสั่งเวลาลกูกอะไรมันสั่งให้นั่งมันนามมานทำมันเป็นลูกเป็นนามมันโกรธเป็นมันทุกข์เป็น ในรูปในนามมันเกิดแจ็เจ็บตายเป็นเกิดโกรธเกิดขึ้นแล้วความโกรธเกิดขึ้นแล้วเป็นภบหนึ่งความโกรธก็แจไปแจไปเจรไปแล้วหมดไปมีใครโกรธไหมอยู่เนี่ยเคยโกรธไหมมันมีไหมความโกรธมันมีชีวิตมีตัวมีตนไหมเราไปถือว่าเราสระนั้นไม่ใช่ รวมทุกข์ก็ไปถือว่าเราสางอะไรก็ตามไปถือเอาอาการที่มันเกิดกับผู้กับนามเป็นตัวเป็นตนถือว่าผิดที่สุดเลยเป็นทุกข์เพราะไปยึดเอาว่าตัวว่าตนถ้าเราไม่เห็นจะแล้วมันเป็นอาการนิดหน่อยไม่ใช่ตัวใช่อตนเลย ยิ่งเห็นแล้วไม่เป็นเนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดมันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธยอดเยี่ยมมากทาได้ทุกคนมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มันอะไรเกิดขึ้นมีได้เห็นมันนะเราก็ใช้มันไัเนเวลานี้เราใช่กายหรือว่ากายมันใช่เราเวลานี้เราใช่จิตใจหรือว่าจิตใจมันใช่เรา อันะไรเป็นใหญ่แล้วมีสิทธิใช่ใจไหมจะให้ไปคิดเรื่องนี้จะให้หยุดหยุดได้ไหมแล้วไม่ปึกมันใช่ไม่ได้ไม่อยากคิดมันก็คิดมีบอกมีไหมเวลานอนหาเรื่องไปคิดเช่นนอนไม่หลับไม่อยากคิดมันก็คิดห้ามไม่มันคิดมันไม่ได้ถ้าเราไม่หัดเราจึงหัด่ามันคิดไปกลับมา เลนี่เอาเวลานี่ไม่ใช่มานั่งคิดนะมานั่งรู้สึกตัวผู้เขีนเข้าเหยื่อเขนนออกรู้สึกตัวมันมีชู้อางเนี่ยปฏิเสธตรงนี้เลยชีวิตเราเนลยจะปล่อยบปแล้วเลยรูปทํานามทำมันเป็นขวมชั่วทําชั่วจนตายหลงจนตายกันเลยจะโกรธจนตายจะทุกข์จนตายเลยแล้วจะไม่เปลี่ยนเลย ถ้าเรามาเปลี่ยนหลงเป็นรูปมันก็มีขั้งสุดท้ายตั้งแต่นมนมตื่นแต่ดึกศึกแต่นมดีกว่ า, า, ว า, า, ท, า, าที่ไปรอมาก่อนใจจะขาดแท่นาทีเหมนพระเจ้าสุโธนะมันไม่ใช่แล้วนอกจากนั้นมันเป็นลาแล้วจึงมาเอาชีวิตของเราไว้เราไม่ชิดที่ไม่หลงได้ไหม <laughs> ไม่ได้ไหมได้ไหม วิสิทธิไม่โกรธได้ไหมวิจิทธิไม่ทุกข์ได้ไหมทําไงไม่ใช่สิทธิของเรา ป, ปา ล, ล่อยไปแล้วเลยชีวิตของเราทําให้ทุกข์โอมทุกข์ข้ามวันข้ามคืนทําไมจึงเป็นอย่างนั้นนี่หรือมนุษย์มนุษย์เป็นชาปะเสดรประเส ร, ร, เ ร, ร, เริฐตรง้อยถ้าไม่เปลี่ยนตรงนีนะ้ถ้าใครจะสอนก็สอนเราเนี่ยพระเจ้าสอนเรื่องนี้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 สิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนสิ่งไหนไม่ใช่ตัว ต, วตววนควรหรือที่จะไปยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราแล้วยิยนไหมเราสวดอ่ะแล้วยังไปยึดเดาอยู่มันจริงไหมอันจริงที่เรายึดว่าเราหรืมันจริงไหมมันไม่ฝังเสียงใครในความไม่เที่ยงเวลาเนี่ยก็ไปของมันอยู่มันไปอยู่ความไม่เที่ยงหล่นตาก็ไหลมาแล้ว เจ็ดสิบกว่าปีเกือบจะแปดสิบปีแล้วนั้นไปแล้วนันไม่โอมมาอยู่แล้วอันความไม่เที่ยงนะมันไม่ใช่ตัวตนห้ามไม่ได้มันเป็นอยง น, นั้นรูปเนี่ยรูปเป็นไปนอย่างนั้นไม่ใช่เราเก่เห็นมันไม่ใช่ตัวใช่ตนมันเป็นธรรมชาติเป็นอาการของเขาไม่แต่ความโกรธที่มันเกิดขึ้นอุปทานมันก็ไม่เที่ยงมันไม่ไอยู่หล้ว ไม่พูดในเวลาโกรธไม่ท้อมใจในเวลาโกรธอย่าให้แนวร่วมมันดูใจมันก็หายลงหายลงหายลงอลองหลุดมีสติไม่พูดในเวลาโกรธเวลามันโกรธไปพูดอยู่นิ่งหายใจเข้าอายใจวลมันโกรธก็ไม่กระพือมันก็ลดลงลดลงปกติได้ลดลงลงปกติได้ถ้าใครได้จะมันโกรธหรอรีบ รีบโอนคนโกรธเป็นคนรีบโอนรีบไปด่ากันกลัวจะไหายโกรธกลัวว่าจะไม่ได้ด่ากันบางคนก็องอมตัวเองเพื่อจะให้มันโกรธเพิ่มขึ้นกะว่าก็เราเขว่าก็เราเราไม่ยอมเราไม่ยอ ม, มองออมตัวเองเพราะนั่นต้องรั ง, งนะ เอาชนะเหล่านี้อย่าไปเอาชนะคนอื่นเออเอาชนะคนอื่นไม่ประเสริฐยิ่เวลามากรกูได้ไม่ได้ไนะมันกูไม่หายโกรธกูไม่ได้ฆ่ามันกูไม่หายโกรธไม่ประเสริฐพระเจ้ามสั่นสอนแล้วพระเจ้าสั่นสอนบุคคลที่เอาใจตนเองจะคนอื่นลอยข้างคนหนนไม่เท่าชนะตนแม้ข้างเดียวท เ, เรามากรธหอห้ามเรา เรามันทุกข์เรเปลี่ยนเราเวลามราหลงเร า, าลลเปลี่ยนเราเรีว่าปฏิบัติธรรมเประเสจิดจริงๆนะมนุษย์เป็นจิตเปรเิฐตรงนี้เปลี่ยนหลงเป็นโู่เปลี่ยนโกรธเป็นโู่เปลี่ยนทุกข์เป็นโล่เปลี่ยนอะไรเป็นโล่เกิดเจ็บเจบตายเป็นโู่ไม่แต่ภาะวะที่โล่เปแต่ภาวะที่เห็นเข้าไปนี่มันทําได้อย่างนี้เรียกว่า พระธรรมอันพระผู้มีพาคเจ้าตัดไปไดีแล้วสันทิจโกอันผู้ศึกษาปฏิบัติปังธรรมด้วยตนเองอากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้มาจําจัการเอหิปะ จ, จิโกควรเชิญให้มาดูมาดูมาดูมาดูเนี่ยไม่หลงได้อยู่อย่าหลงไม่โกรธก็ได้อยู่มามามาดู่ยเอหิปั จ, จิโกควร น, น้อมมาใช้ตัวเรา เอาความหลงไว้เส่เราเวลามันหลงย่อให้หลงเป็นหลงย่อ้ทุกข์เป็นทุกข์ย่ห้โกรธเป็นโกรธน้อมความไม่หลงน้อมความไม่โกรธน้อมความไม่ทุกข์าใส่เราไว้เจหิปะเโกโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรเก่าวกับผู้อื่นประกาศได้ว่ามันมีอย่างนี้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการผู้ปฏิบัติ ศึกษาล้วนี่ย้อมรู้ยิ่งจริงในธรรมที่ควรรู้ควรหนึ่นสมกับการปฏิบัติขยันรู้มากก็ได้รู้มากสิบ่จังวะหนรู้2รู้สรู้4รู้5รู้6รู้7รู้8รู้9รู้10รู้11รู้12รู้13รู้14รู้เขียไว้ไหนทีติ๊ก ลู่หนึ่งลูง่วินาทีหนึ่งลู่ทีหนึ่งมันทําได้เนี่ยมันเอามาใช้ให้ลู่อย่าไปใช้ให้หลงแล้วจะใช้กายเร า, างไงใช้ใจยังไงใช้ให้มันหลงก็หลงใช้มาลู่ก็ลู่มันสอนได้นี่ว่ามนุษย์หรือว่าคนเราเนี่ยวินาทีหนึ่งลู่ทีหนึ่ง ได้ชั่วโมงหนึ่งก็สามพันหกอยวินาทีได้สามพันหรอยโลปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้คนเห็นตามทุกควาเจผู้ปฏิบัติคนขยันก็รู้ได้คนไม่ขยันก็รู้ได้น้อยทำแทนกันไม่ได้เวลาวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงนะบางคนก็รู้ได้มากบางคนก็รู้ได้น้อย เราจะมาหัดการหัดให้ลูกเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าภาวนาภาวนาคือขยันลูกภาวนาคือขยันลูกตาวนาพภารียกาตาสังวตัตติอภิญญาญาณิปา ร, ระยะขยันลูกขยันลูกไว้ชีวิตเราผ่านมาถึงวันนี้ผ่านมาถึงวันนี้ ระว่างลูกกับระหว่างหลงอันไหนมากกว่ากันต้อรวจตัวเองดูบ้างพอมาลูกอย่างนี้นะเออเราเคยลูนี่ไหมตักแต่ชีวิตเราผ่านมาน่าจะพิสูจน์ดูเรื่องนี้กันขอถ้าทายเรื่องนี้ในคาสอนพวะเจ้ามาพิสูจน์ดูมันจะเกิดอะไรขึ้น เราจะเป็นเพื่อนที่นี่ขอเป็นเพื่อนทุกคนที่ไม่ต้องเช่าห้องไม่ต้องซื้อจะไม่พาหลงทิศหลงทางถ้าท่านหลงเปลี่ยนหลงเป็นลู่เนี่ยไปได้ไปได้เลยต่อไปโกรธเป็นลู่ทุกเป็นลู่ง่ายๆเหมือนไขกุญแจเจ้เจ่อโซ่หลุดออกจากรกาย จากเวทนาจากกิจจากธรรมด่านที่มันกักให้เราหลงคือกายด่านที่มันกักให้เราหลงคือเวทนาสุขทุกข์ด่านที่มันกักให้เร า, ลเ า, าหราลงคือความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจอความคิดที่ตั้งใจก็มีแต่ว่าเป็นวิชาความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเปิดสังขารเป็นอวิชาเปลี่ยนลองดูด่านอันหนึ่งคือ อารมณ์เรียว่าธรรมอารมณ์ที่มันเข้างมทั้งกายทั้งใจมันจะหลงตรงนี้4ีด่านถ้าไม่หลงสี่ด่านนี้ไปได้จึงมาเริ่มต้นกันตรงนี้ทุกคนมีกายทุกคนมีเวทนาให้มีสติเห็นมันจะเจอศึกษาที่แรกจะเจอความหลงคือความรู้มีหลงมีรู้ ทุกคนเราเจต่าจะลูกที่กายมันจะมีหลงที่นี่แล้วก็หลังเราเาจะได้เปลี่ยนไปแล้มันไม่พีมันมีงานทําอยู่ได้มีความรู้ก็ได้ความรู้พิกมือขึ้นรู้ว่ามือลงรู้ทันทีไม่ต้องรอถ้าเป็นมากเป็นผลก็เป็นอยู่นี่เป็นกรรมที่มีผลสร้างความรู้ก็ได้ความรู้เป็นหลงเป็นรูก้ก็เป็นผลขึ้นมา ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรมันได้ความรู้เนี่ยสักเ็ดวันหนึ่ง ด, ด, จงจ ด, ด, ดูจะเกิดอะไรขึ้นมาแต่ทำจริงจริงสักเ็เดือนดูซิจะเกิดอะไขึ้นสักเ็ดปีดูซิได้ไหมไม่คิดน้อยฮะ <laughs> นี่เมืองไทยนะ ว, ดวัดในบงไทยศาสนาพุทธในวางไทยพระสงฆ์ในวางไทยคำสอนพูะเจ้าเอา ม, มาพิสูจน์ให้มันเป็นเรื่องของเราโน้มมาใส่เรามันก็ไปยากคำสอนที่คุณพูะเจ้าก็าจะบอกก็มีอยู่เพียงชีอย่างอะไรบ้างไม่คิดนอยคุณของพูะเจ้าสีอย่างอะไรบ้าง <c oughs> หนึ่งเมตตาที่คุนนำหน้าเลยทีเดียวสองการุนแรงที่คุณสามบริสุทธิ์ที่คุนสีปัญญาที่คุนสี่อย่างนี่ไปใหญ่เลยเมตตาที่คุณคิดถึงใดทำเถึงใดพูดถึงใดประกอบด้วยเมตตาสร้างความรักมองอะไรมีความรักรักทุกอย่างไม่มีขอบเขตผูเขาแม่น้าจะขวงกั้นความรักเราก็ได้ เมตตาที่คุณเมตตากรุณานะคิดจะช่วยเหลือทุกอย่างไปไกลการุณาที่คุณจะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็คิดจะช่วยเ ส, ยสมออริสุทธิ์ี่คุณด้วความอริสุทธิ์ใจบุกเบิกไปเลยปัญญาที่คุณรอบรู้รู้จกักไปได้เลย ใจิตใจเบิกบานนิสตากรณาใจิตใจเบิกบานเสียชละปัญญาคือเสียชละอารมณ์เน่าเปลี่ยนไล่เป็นดีทั้งหมดเปลี่ยนไล่ไปดีทั้งหมดเมสตาที่คนโกรุณาที่คนบริสุทธิ์ที่คนปัญญาที่คนหลัวมหาโกรนาที่คนอันยิ่งใหญ่มีอยู่ที่ใจของเราเนีนี่คุณที่มันมีอยู่ในพระเจ้า ไม่ใชใ่มีอยู่ในพระเจ้าให้เป็นเรื่องของเราทำได้ทุกคนหย่าจนลรงนี่กันพวกเรานี่คิดิงใดประกอบด้วยเบตาทำงใดประกอบด้วยเบตาคิดเใดประกอบด้วยเบตาทั้งต่อหน้าเลยรับหลังของสรรพสิทธุทุกอย่างในโลกนะี่ไม่มีขอ้อเขตมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามามีคุณธรรมคุณธรรมสีณณรรมอย่างนะี่ มันจะเห็นเราเห็นใจกันมันจะเบียดเบียนตนไม่ได้สงสารตัวเราไม่เคยช่วยตัวเราเลยอายุ20 30ปีพอไม่เห็นเรื่องนี้แล้วน้ําตาซึมเลยพ่อเขาไม่ได้สอนเราเนี่แม่ไม่ได้สอนเราเนี่หลวงปู่เทียนมาสอนให้เรารู้เรื่องนี้ก็เลยจะตื้อลุล่นช่วยตัวเองเสีย แต่ก่อนไม่มีชีวิตชีวาชีวิตของเรามันก็ไม่เป็นอะไรมาเลยมันช่วยได้มันไม่ฟูไ ม, ไม่แพดไปหนาเนี่ยนี่คือชีวิตของเราชีวิตของเราไม่ไม่เป็นอะไรไม่ได้เห็นธรรมชาติเห็นอาการนี่มันเกิดขึ้นมันก็เข้าสู่การที่เหงื่อเก่เหงือเกิดเดือดก่เดือเจ็บเดินายที่เราเกิดทําของเราเนี่ยไม่ใช่ไปอยู่ที่ไหน ออนั่นนี่ก็อนโมธนากับท่านทั้งหลายที่มาถึงที่นี่ก็จะบอกจากนี้จะพูดจากนี้เป็นเพื่อนไม่ใช่มาสอนให้ท่านมาเชื่อสอนให้ท่านช่วยตัวเองอย่ามาพึ่งเราอย่ามาเชื่อเราให้ช่วยตัวเองให้พึ่งตัวเองที่เป็นจัตจธรรมคำสอนใดที่สอนให้พึ่งคนอื่นไม่ใช่จัตจธรรม ต้องเชื่อการกระทำของเราเราเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยเปลี่ยนโกรธเป็นรู้เนี่ยเนี่ยเอาตรงนี้ละ่ะให้ทำเอาเองทำเอาเองนะสมควรเจเวลา